อย่างที่สองคนที่มีความปรารถนาลามกอีกในหนึ่งก็คือไม่รู้จักประมาณในการรับเนี่ยนะคนที่ไม่รู้จักประมาณในการรับเรียกย้อนกลับมานิดหนึ่งก็บอกว่าคนที่มีความปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปเนี่ยนะตั้งอยู่ในฐานะแห่งความล่อหลวงก็คือช่อชนนั่นเอง ส่วนการกล่าวสรรเสริญคนที่มีอยู่หรือไม่รู้จักประมาณในการรับเรียกว่าเป็นผู้ที่มกักมากคนมักมากคนที่มกักมากยกตัวอย่างเช่นว่าคนในโลกเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนมีศรัทธาแต่ก็โฆษณาเชิญชวนให้คนอื่นรู้ว่าเราคือผู้มีศรัทธาพวกนี้พวกมักมากไไก็คือแบบอะไร เป็นคนที่เรียกว่าโฆษณาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะถึงจริงก็เถอะเป็นผู้มีศีลก็โฆษณาเชิญชวนให้คนอื่นเนี่ยรู้จักตัวว่าเป็นผู้มีศีลเป็นลักษณะเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่มกักมากคนมักมากจะเป็นที่รักของคนชั่วด้วยกันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมันมันศรัทธาเนี่ยดีศีลนี่ ด, นนดีปัญญานี่ดีคุณธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่ดี แต่การที่โอ้อวดนี่เป็นเรื่องไม่ดีอ น, นะมีความดีนี่ดีอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าศรัทธานี้เป็นทรัพย์ใช่ไหมศีลก็เป็นทรัพย์ถ้าเรามานั่งกันอยู่ตรงนี้นะใครมาถึงก็มานั่งรูปกระเป๋าว่าชั้นนี่มาหมื่นหนึ่งชั้นนี่มาอีกแสนหนึ่งชั้นนี่มียอดบัญชีกันแล้วมานั่งคนที่คุยกันในลักษณะนี้ถามว่า น, น่าสนใจไหมเป็นคนที่น่ารังเกียร์หรือ น, น่าเชิดชูหรือน่ายกย่องก็เลยเรียกว่าคนมากมากนะนะคนมากมาก คนลักษณะเหล่านี้เนี่ยก็แคาว่าตัวเองเนี่ยต้องการบอกว่าฉันเป็นผู้มีศรัทธานะคนอื่นเขาฟังปั๊บเฉยเฉยเนี่ยจะมีความสุขไหมเครียดเลยใช่ไหมไม่ชอบเลยแม่เราอยากจะบอกว่าเราคือผู้มีศรัทธาอุตสาหโฆษณาอยู่ตั้งนานแล้วคนอื่นเขาฟังแล้วเฉยเยยังไงนะแม่น้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจเนี่ยจริงๆแล้วคนประเภทนี้ขี้น้อยใจเหมกันนะคนที่พยายามโฆษณาในสิ่งที่มีที่ตัวเองมีอยู่แต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับ ไม่มีใครสนใจเราเลยเนี่ยแล้ลักษณะแบบนี้นนๆๆนนนเนี่ยก็โอ้ยมขวนมากมากนะว่างั้นตัวเองเนี่ยเป็นคล้ายว่าตัวเองมีศีลเป็นคนดีอย่างงั้นเป็นคนดีอย่างนี้อ่านะยกย่องตัวเองนั่นแหละเรียกว่าเป็นกลุ่มระกคังที่อะไรนะตีเองเนี่ยนะตีแล้วดังเองตลอดเนี่ยมันดังเองสะเทือนประจําเลยเนี่ยนะคนลักษณะนี้แม่น่าสงสารขนาดไหนใช่ไหมพอเขาบอกโอ้โยําคาญเลิศเกินไอระกคังลูกนี้เนี่ยเอาออกไปเถอะเนี่ยนะโอ้โยคนนั้นเอกเสียอกเสียใจหนักตึมอีก เพราะฉะนั้นคนที่ลักษณะเรียกว่าคนมากๆโฆษณาเชิญชวนตัวเองบ่อยๆลักษณะนั้นบ่อยๆเมื่อไม่มีการยอมรับเนี่ยนะคนลักษณะนี้เริ่มดูหมิ่นคนอื่นว่าคนอื่นเลวหมดไม่รู้จักเราเนี่ยนะเรามีศรัทธาก็ไม่นับถือเราเรามีศีลก็ไม่นับถือเราคนพวกนั้นเลวหมดดีอยู่คนเดียวเนี่ยนะทั้งๆที่มีดีอยู่ฝักเดียวนั่นแหะก็ดีดีดีด้ความคิดว่าตัวเองเนี่ยดีมากเนี่ยนะไม่มีใครดีเกิน เนี่ยนะยกย่องแต่คุณที่ไม่มีอยู่เอ่อยกย่องถึงจริงก็เถอะแต่ว่าคนลักษณะนี้ก็เป็นคนขี้น้อยใจเนี่ยนะมักโกรธพวกสายเอ่อพวกปรารถนาเกินขอบเขตโดยมากก็มักโกรธเนี่ยนะถ้าเป็นคนมักโลภโดยมากก็จะด้านหน่อยนะด้านหน่อยแต่โดยธรรมดาแล้วค่อนข้างจะเป็นคนมักโกรธเนี่ยนะใครต่อแยยุ่งไม่ได้เลยเนี่ยนะคำทุกคําเป็นระเบิดปากเพราะนกัน พวกปราถนาลามกแล้วก็พวกปราถนามากเป็นยังไงพวกปราถพวกมกักมากนะมีอยู่คำหนึ่งพวกมกักมากพวกมักมากเขาบอกว่าแม้แต่แม่ก็ยังเอาใจไม่อยู่เขาแม่แม่ยังผมให้ใจเขาไม่เต็มเขายกตัวอย่างเขามีพระพิสูรูปหนึ่งนะพระพิสูรูปหนึ่งเนี่ยไอ้ความที่พระพิสูรูปเนี่ยเป็นคนมกักมาก ไม่รู้เคยไม่เคยรู้จักประมาณไม่เคยรู้จักพอไม่เคยอะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยนะเป็นคนแล้วท่านเองอมีปกติชอบขนมประเภทหนึ่งแม่ก็อยากลองใจดูพาลูกชายเราบวชมาตั้งนานแล้วรู้สึกที่ว่าจะลดขนาดไหนไปแล้วเนี่ยนิสัยเป็นคนมักมากไปถึงไหนแล้วเนี่ยแล้วก็ทอดขนมให้โอยถาดหนึ่งนะท่านฉันหมดเกลี้ยงเลยนะไม่ยอมปล่อยให้เหลือเลยเนี่ยไม่แบ่งใครด้วยฉันเองหมดเลยนะ พอพระรูปนั้นฉันเสร็จแม่ก็มาบอกว่าลูกขนมที่ลูกจะฉันทั้งพรรษาเนี่ยลูกฉันหมดในมือนี้แล้วนะว่างั้นนะต่อไปก็อดละกันว่างั้นนะก็รู้อยู่แล้วว่าขนมเนี่ยเป็นขนมลูกชอบอ่ะแต่ว่าดูว่าใจของลูกเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่มาบวชเป็นพระแล้วมีใจจะเอื้อเฟื้อสงเคราะห์เกื้อกูลต่อคนอื่นบ้างไหมรู้แล้วก็ก่อนบวชฉันใดบวชมาแล้วก็ ฉันนั้นเนี่ยนะก็เลยก็บอกเอยฉันเท่านี้ก็แล้วกันนะลูกนะราษานี้ก็ฉันเท่านี้แล้วกันไอขนมประเภทนี้นะที่เหลือฉันข้าวไปก่อนแล้วกันอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าขนาดแม่ยังไม่สามารถจะเอาใจไว้ได้หรือแม่คนมากๆเนี่ยนะขนาดแม่ของตัวเองยังลำคาญอย่างเง้นเถอะปกติเนี่ยใครจะรักรักลูกเท่ากับแม่ขนาดแม่ยังำรำคาญไอลูกคนนี้ทําไมมันเป็นนิสยัยมันเป็นอย่างเงี้ยตกะตกราตะกรามเหลือเกินไม่รู้จักพอไม่รู้จัก ก็ถ้าว่าเห็นเมื่อไหร่ก็ดูหมิ่นขนาดแม่ยังดูหมินเนี่ยมันหมดแล้วใช่ไหมคนอื่นเนี่ ย, ค น, นนยคนอื่นไม่ต้องพูดถึงก็ได้ว่าคนมักมากเป็นอย่างนั้นจะเป็นที่รักของคนชั่วเท่านั้นคนชั่วจะชื่นช ม, มนะแต่บัณฑิตทั้งหลายคนที่มีปัญญาทั้งหลายเขาก็ตำหนิมันคนมักมากท่านเปรียบเหมือนอะไรอัขิขันโทสมุดโดจะมหิตโชจาปิปุคโลสกเตนะปจะยังเฮตุตะโยเจเ ต, เตอตปิยา อคีขันโทก็แปลว่ากองไฟเนี่ยนะกองไฟใหญ่เนี่ยนะเอาฟืนไปถมดูเถอะแม้เบื่อแล้วเกิดไอกองไฟกองนี้ฉันจะถมฟืนให้มันพอเนี่ยนะมันจะได้ดับสักทีหนึ่งโยนฟืนทุกมันก็ไฟมันก็ลุกเพิ่มขึ้นยิ่งเพิ่มแล้วมันยิ่งอย่างที่สองสมุทรโจอเนี่ยนะคือทะเลเนี่ยนะแหมแม่นะเปิดแ ม, แม่น้ำทุกสายให้มันไหลลงทะเลให้หมดถมทะเลให้มันเต็มทะเลเต็มมหมยากไม่หิดโชจะ ไม่หิดโฉจะปีบุคโลบุคคลผู้มีความมากมากประเภทนี้ถมอย่างไรก็ถมไม่เต็มอ่าไม่เต็มเขาบอกว่าให้ยกแผ่นยาว่าแบบธรรมดาเลยยกแผ่นดินทั้งแผ่นดินให้ก็ถมไม่เต็มและคนมากมากจะไม่มีความกระตันอยู่อ่าบุคคลกลุ่มนี้จักไม่ค่อยคือไม่มีความรู้สึกเต็มเมื่อไม่รู้สึกเต็มไม่รู้จักพอจะสงสารคนที่คอยมาบำรุงบำเรอปรนเปลืยตัวเองไหม พวกนี้จะขาดเมตตาเนี่ยนะจะขาดเมตตาแม้กับพ่อแม่ผู้มีพระคุณจะขาดเมตตาต่อผู้มีคุณทั้งหลายเคิดว่าขูดรีดคิดว่าแม้ถ้าปูมันมีเลือดนี่สงสัยจะไปขูดเลือดเออขูดรีดเอาเลือดในในปูมาอีกเนี่ยนะฉันใดคนมากๆนั้นเป็นฉันนั้นไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอเนี่ยนะ ความพอเนี่ยไม่มีเลยไม่เคยเห็นใจเลยนะนะก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ขู่รีกเอาแล้วเอาอีกเหมือนกับรีดน้ํานมโคเนี่ยนะเมื่อไม่รู้จักพอเนี่ยจนรีดออกมาเป็นเลือดโคลว่างั้นเถอะเลือดโคก็เอาขอให้มันออกมาจากเต้าเป็นใช้ได้เป็นต้นเนีะนะคือบางคนเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆไม่เมื่อไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอแล้วทํำยังไงก็เป็นกลายเป็นที่มาของคนอะกะตันยูเนี่ยนะคนมากๆในที่สุดก็กลายเป็นคน อาการอยู่หรืออันหนึ่งอันหนึ่งเนี่ยนะเขาบอกว่ามีความอย่างคนที่เทว่าประทานาไม่เกินขอบเขตเนี่ยเวล า, าจะกลายเป็นคนอาการอยู่ในชาดกมีอยู่เรื่องหนึ่งพระเทวทัพเนี่ยตกขอนไม้ไปอดีตชาติพระเทวทัพเนี่ยนะเป็นเจ้าชายเจ้าชายที่นิสัยเลวมากเลยเนี่ยนะเมื่อนิสัยเลวมากข้าราชการเกลียดเกลียดหมดเลยก็เลยเอาไปลอยน้ํา วิธีแกล้งอะ น, นะแกล้งก็เหมือนกับว่าไปเล่นน้ําไปอาบน้ําด้วยกันเสร็จแล้วก็ผลักลงไปเลยเดี๋ยวมันก็ให้ตายไปกันน้ําเลยเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะปกปิดคดีให้หมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีฆ่าแล้วก็เจ้าชายคนนี้ก็ลอยไปลอยไปก็ไปเกาะขอนไม้อันหนึ่งนกก็ไปเกาะคอนไม้งูก็ไปเกาะคอไม้เป็นต้นเนี่ยนะแล้วเกาะในขอนไม้เดียวกันแล้วก็เราะรือศีท่านหนึ่งก็ไปช่วยช่วยขึ้นมา น, นะช่วยขึ้นมาเนี่ย ทีนี้ฤาษีก็สงสารทั้งหมดทั้งสี่คนแดนกเป็นต้นกําลังจะตายก็เลยจุดไฟผิงให้อะไรให้ดูแลให้้เจ้าชายคนนั้นมีมานะมากฉันเป็นกษัตริย์นะฤาษียังไม่ค่อยจะสนใจฉันเลยไอ้อยกตัวเองขึ้นบกแล้วไม่คิดอนะแต่มาคิดว่านี่นะเขาน่าจะมาเอาใจเราก่อนนะน่าจะมาดูแลบริการเราก่อนทําไมต้องไปใส่ใจพวกนกพวกหนูเป็นต้นมากมายทำไมต้องมาสนใจเราสิเราเป็นกษัตริย์สักวันหนึ่งท่านหน้าจะเอาคื น, นวันหนึ่งจะต้องแกล้งฤาษีอันนั้นเลย ไอ้ตรงที่เขาช่วยชีวิตตัวนี้ไม่คิดหรอคิดแต่ว่าเนี่ยเขารักนกรักหนูมากกว่ารักตัวเพราะฉะนั้นจะต้องเอาคืนสักวันหนึ่งในที่สุดก็ฤาษีก็เลี้ยงดูจนได้ดิบได้ดีนะจนฟื้นจนมีความสุขพระสุขก็กลับไปก็กลับไปตอนหลังก็ได้เป็นพระราชาพอเป็นพระราชาเนี่ยฤาษีอยากจะลองไปเยี่ยมดูจะไปเยี่ยมว่าเออพ ร, รอะองค์นั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงซึ่งตอนหลังก็ทราบข่าวอยู่แล้วว่าเป็นพระราชาเนี่ยนะ นี้พอไปถึงเนี่ยราพราชาองค์เนียหมั่นไส้มากเล ย, เนยนึกถึงแค้นความหลังครั้งที่เอาใจนกหนูเนี่ยนะงูมากกับตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเรื่องฆ่าก็เลยโปรยโทษลงเลยเนี่ยนะโปรยโทษใส่ฤาษีคนนั้นแหละฤาษีคนนี้น เ, นเลวร้ายเป็นคนไม่ดีโห โ, โจดขานตำหนิตีเตียนแล้วก็สั่งประหารไปเลยไม่สอบสวนไม่วินิจฉัย ตอนหลังก็ฤฤษีก็ได้แต่พูดคํานึงว่าไม่น่าช่วยเลยคนตกคอไหมอย่างเงี้ยไม่น่าช่วยเลยอะไรเนี่ยนะนะเป็นต้นในที่สุดก็มีการสอบสวนขึ้นมาก็ประชาชนก็เลยรู้ว่าฤฤษีเป็นคนดีก็เลยฆ่าพระราชาทิ้งเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าคนอากตัญยูเนี่ยพื้นฐานก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็แต่งตั้งให้ฤฤษีเนี่ยเป็นพระราชาปกครองบ้านเมืองแทนนะนะเขาเรียกว่าเมืองเมืองโบราณมันไม่ได้เมืองใหญ่เมืองโตมากนะจะเป็นเมืองเล็กๆ เมื่อเจ้าเมืองโบราณก็คือนายอำเภอทั้งหลายเนี่ยนะหรือผู้ว่าทั้งหลายเนี่ยแหละลักษณะของเจ้าเมืองอ่ะนะเป็นไม่ใหญ่เท่าไหร่อ่ะนะลักษณะนั้นอนะ่ะประชาชนบางทีเขาก็เอากันง่ายๆอย่างนั้นแหละมันคนที่มักมากหรือคนที่มีความปรารถนาะไม่มีขอบเขตเนี่ยอไอค้คาว่าที่บอกว่าไม่ดีคือมันให้โทษในตอนหลังอย่างปรารถนาไม่มีขอบเขต ด, ดูเหมือนดีในตอนต้นมีแต่ได้กับได้ใช่ไหมแต่เป็นการได้ที่ไม่ยั่งยืนเนี่ย หรือคนที่มีใจปรารถนาลามกช่อชนเนี่ยนะอวดอ้างคุณที่ไม่มีอยู่จริงวันหลังถ้าเขารู้ว่าเราไม่มีอะไรใดๆอ่ะนะอย่างที่เขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคนที่รักสลับปรารถนามากักคนมากๆปรารถนาลามกเนี่ยนะหรือปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปอะ่ะแล้วก็มีชาวต่างประเทศคนหนึ่งมาอวดมั่งอวดมีอวดร่ําอวดรวยแล้วก็มามีเมียเป็นคนไทยใช่ไหมในที่สุดมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีมันมีแต่ใน ในในชื่อในคำโฆษณาเฉยๆแล้วถามว่าตอนหลังจะได้รับคำยกย่องไหมถูกด่าตลอดชาติเลยแบบนั้นเถอะถูกด่าตลอดชาติคนที่อวดสรรพคุณที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยจะไม่ได้รับการชื่นชมในตอนหลังคนจะยกย่องนับถือตราดเท่าที่เขายังไม่รู้ความจริงพอเขารู้ความจริงแล้วก็คิดไปอีกอีกอย่างหนึ่งคิดไปอีกด้านหนึ่งแล้วเนี่ยนะั น, นคนที่ปรารถนาไม่มีขอบเขตคนที่ปรารถนาลามกคนมากๆ จะตกอยู่ในฐานะลำบากในตอนต้นพันสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละเนี่ยนะสอนให้ละไอความปรารถนาเหล่านั้นเสียให้ดํารงอยู่ในความเป็นผู้ที่มีความมักน้อยคนมักน้อยเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรเนี่ยมาดูลักษณะของคนมักน้อยเนี่ยนะเมื่อกี้พูดถึงลักษณะของผานไปเยอะแยะแล้วมาดูลักษณะของคนที่เป็นบัณฑิตคนที่เป็นบัณฑิตคือคนที่ปกปิดคุณธรรมที่มีอยู่ และรู้จักประมาณในการรับในการรับปัจจัย4เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มักน้อยยกตัวอย่างบอกว่าคนที่มักน้อยจะปกปิดคุณธรรมแม้ที่มีอยู่ในตนเช่นถึงตัวเองจะมีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็ไม่ปรารถนาะจะให้คนอื่นรู้จักเราว่าเป็นผู้มีศรัทธาเอาไม่เอาศรัทธามาเป็นเครื่องขายเนี่ยนะมาเป็นมาเป็นคือคือโฆษณาตัวเองว่าข้าพเจ้าคือผู้มีศรัทธา ไม่ใช่เป็นคนลักษณะเชิญชวนแบบนั้นหรือข้าพเจ้าคือผู้มีศีลเนี่ยนะข้าพเจ้าเป็นผู้มีศีลโฆษณาตัวเองหลือเกินว่าเป็นคนที่มีศีลหรือตัวเองเป็นคนที่สหัดคือวิเวกเนี่ยนะเป็นคนที่วิเวกชอบลีเกเล่นอะไรเป็นต้นหรือเป็นผหูสูดหูร่ำเรียนมากแตกฉานมากรอบรู้ไปทุกเรื่องเนี่ยนะ หรือเป็นผู้ที่ปราลบความเพียรเนี่ยเป็นนักปฏิบัติจริงๆเลยนะฉันก็น้อยนอนก็น้อยชีวิตอยู่ด้วยการปฏิบัติตลอดเลยนะแค่โฆษณาตัวเองขนาดนั้นหรือเป็นแบบเป็นคนที่มีสมาธิมีปัญญาหรือบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพักขีนาศกเป็นต้นถ้าเป็นคนอย่างนั้นจริงก็ไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพราวเรียเจ้าคนทนมักน้อยจริงๆเนี่ยถึงมีศรัทธาก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าตัวเป็นผู้มี ศรัทธาเป็นผู้มีศีลเป็นผู้วิเวกเป็นผูู้งสูตเป็นผู้ปรารความเพียรมีสมาธิมีปัญญาตลอดจนถึงเป็นพระมหาขีณาสบก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นรู้ว่าตนนั้นเป็นพระอาหารหันต์ขีณาสบก็ถ้าสังเกตดูใครเรียนพระพุทธคุณเยอะๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไปที่ไหนโฆษณาตัวเองตลอดเลยไหมแทบไม่มีเลยว่าพระองค์พูดถึงพระองค์เองแต่จะพูดสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อ ความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายเว้นไว้แต่บางคนไม่ค่อยแน่ใจกับพระองค์พระองค์งก็จะเล่าในบางประโยคให้ฟังเนี่ยว่าเออเนี่ยพระองค์เป็นพระผูธ้ธเจ้าจริงๆนะเพราะทํากิจหนึ่งสองสามสี่นังต่อไปนี้เสร็จแล้วเขาก็เลื่อมใสายเพราะเาเลื่อมสายเขาก็บรรลุมรรคผลไ ป, แ ล, ไป แ, ลนะแล้วพระองค์ก็ไปแล้วเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็แทบว่าไม่เคยขอร้องบอกไปเป็นบริวารของเราหน่อยนะอะไรแบบนี้นะอันนั้นก็ไม่ไม่มีเพราะพระองค์เป็นผู้ดํารงอยู่ในความเป็นผู้มักน้อยผู้ที่มักน้อยเนี่ยนะ อย่างสูงสุดแม้แต่เป็นพาาระอรหันต์ขีณาศพ ก, ก็ไม่ปรารถนาจะโฆษณาตัวเองว่าเป็นพระอระหันต์อย่างยกตัวอย่างเรื่องสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยนะสมัยพระเจ้าโศกประมาณสักพศ200เศษ200ต้นต้น่ยนะพระเถระเป็นพระมหาขีณาศพเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์ผู้ใหญ่เลยและมีบาดจีวรของท่านข้าวของเครื่องใช้ของท่านมีราคาบาทเดียวนะหมายความว่าข้าวของเครื่องใช้เนี่ยบาทเดียว ท่านได้เป็นประธานสง์ในวันฉลองวิหารของพระเจ้าธรรมมาโศกราช